MP3 แผ่นที่14ที่จะออกเรียงลำดับต่อไปมีคติธรรมหัวข้อว่าพุทธบุตรแท้แน่วแน่ในคุณธรรมพวกเราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพุทธบุตร ผู้ที่เป็นพุทธบุตรแท้จะต้องแน่วแน่ในธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรพวกเราที่เป็นพุทธบุตรควรก็ควรสมควรอย่างยิ่งที่จะไตรตรองเหตุและผลในที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ที่พระพุทธองค์ ได้ตรสสอนไว้ที่เป็นหลักใหญ่ก็คือห้ามไม่ให้ทําความชั่วแล้วก็ให้ประกอบคุณงามความดีอันนี้คือสรุปแล้วแบบจนย่อ ค, คือสองอย่างอย่าทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เราพุทธบุตรแท้ถ้าหากว่าสิ่งไหนก็ตาม ที่พระพุทธองค์ได้บอกห้ามไว้แล้วอย่าทำในสิ่งนั้นอย่างศินที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตราาัสเอาไว้สำหรับคราวัตญาตโยมก็คือศินห้าและก็ศินอุโบสถสาหรับสมมเนิศิน 10, สิบสาหรับพระศินสองร้อีอันนี้หละคือข้อห้ามถ้าห้ามแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นพิษภัยแน่จึงพระพุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัต วินัยแล้วก็เมื่อห้ามแล้วกายวาจาของเราเป็นศิลแล้วใจของเราที่อยู่ข้างในเมื่อกายวาจาทำความชั่วไม่ได้แล้วใจของเราก็จะเดินไปสู่ธรรมะที่ลุสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆ ธรรมะที่สูงส่งนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นขั้นตอนว่าศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเรามีศีลเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ทำความชั่วแล้วสมาธิของพวกเราก็จะดีขึ้นในเมื่อสมาธิของเราดีนิ่งสงบเย็นพร้อมกันก็เบิกบาน จากนั้นก็เดินปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลในหลักของพุทธศาสนาปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมปัญญาหลายขั้นตอนแต่ปัญญาอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้ถอดถอนกิเลสคือราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงออกจากจิตใจ อันนี้คือปัญญาอันยอดเยี่ยมแต่ถ้าลำดับลงมาก็ปัญญาสอนให้รู้จักการทำทานให้รู้จักการรักษาสินให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาตามแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้า มีแต่สอนให้พวกเราเป็นคนดีทุกระดับเพราะนั้นพวกเราถ้าอยากจะเป็นพุทธบุตรแท้ต้องแน่วแน่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วไม่จัดว่าเป็นพุทธบุตรถ้าเป็นบุตรก็บุตรเหลือขอบุตรแหวกแนว บุไปอยู่ในโอวาทอาวชาติตบุรเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งก็ขอให้ไตรตรองด้วยปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์อะไรสมกับคมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมายว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ทุกระดับแต่ถ้าหาว่าเป็นฆราวาสญาติโยมถ้าหาว่าอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็จะพ้นทุกข์ในระดับหนึ่งจำเป็นผู้ไปนสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของคู่ขนทั้งหลายก็คือถ้าหาว่าเป็นผู้มีศีลไปหรือถ้าว่าเป็นผู้มี ทำบุญทำทานจิตใจกว้างขวางไปน่าสถานที่ใดใครก็ให้ความเคารพรับถือเพราะว่าจิตใจมีเมตตาในใจิตใจคนไม่มีเมตตาในจิตใจแล้วจะเป็นผู้ทำทานไม่มีทางถ้าหาว่าคนไม่จิตใจขี้ตันีทีเดียวแล้วจะทำทานไม่ได้ในเมื่อคนขี้ตันีทีเหนียวแล้ว จะไปนัสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะนั้นทานคำนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ทานไปนัสถานที่ใดเป็นผู้จิตใจกว้างขวางเป็นที่ยอมรับของคู่คนศีลไปนัสถานที่ใดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนทั้งหลายสมาธิจิตใจก็แน่วแน่ปัญญา รอบรู้ในเรื่องต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งคดีโลกและคดีธรรมผลที่สุดก็เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราใจของเรามีเหตุมีผลใจของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้ใจของเรามีกิเลสราคะโทสะโมหะพยายามถอดถอนด้วยตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตใจของเรา หมดจดจากกิเลสแล้วนั่นล่ละเป็นบรมสุขถ้าว่าพวกเราถึงจุดนั้นแล้วถึงบรมสุขแล้วนั่นแหละที่ว่าเป็นพุทธบุตรแท้อองไรข้อตามในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการถ้ามีใครไปโจทย์พระอรหรัน คือพระเหล่านั้นไม่รู้ว่าองค์นี้เป็นพระอระหันต์แต่พระพุทธองค์เมื่อโจดแล้วแต่ท่านท่านองค์นั้นท่านยืนยันว่าข้าพระองค์ไม่มีข้าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์หมดจดแล้วพระพุทธองค์จะยอมรับหรือว่ายินดีรับว่านี่แหละบุตรของเราเนบุตรของเราไม่มีไม่มีมนทินไม่มี สิ่งที่จะทําให้ท่านมัวหมองเพราะท่านทําจิตใจของท่านหมดจดแล้วเหมือนกับมือของท่านไม่มีแผลอารพิษยาพิษทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะซึมซับเข้าฝ่ามือของท่านได้เพราะท่านมือของท่านไม่มีแผลอันนี้คือเป็นพุทธบุตรของเราบุตรของเราเพราะนั้น ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหว่าพวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็ไต่เต้าเป็นพุทธบุตรของพระพุทธองค์ตามขั้นตอนจนเป็นพุทธบุตรแท้ก็คือพวกเราเป็นพระอรหันต์หมดจดจักกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ก่อนทึกที่จะถึงจุดนั้นก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีการส่งสั่งสมคุณงามความดีนั้นไม่ใช่ว่าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ร่มเย็นเป็นสุขโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี เพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้มุ่งมั่นในธรรมผู้หมดจดจากกิเลสเป็นบุตรของพระพุทธองค์ถ้าเป็นพระสงฆ์เท่ากากยบุตรถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจเป็นธรรมแล้วเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ถ้าว่าทมตนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจแล้วพวกเราจะสงบพร่มเย็นเป็นสุขไปณสถานที่ใดอยู่กับใครก็จะมีอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันรักเคารพนับถือกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันมีอะไรก็ แบ่งสรรปันส่วนโลกทั้งโลกก็น่าอยู่สงบรล่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันการปารบเอ3ีสแผ่นที่14ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภะ ษ, ษีรัตนตรัพตยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายปราถนาสติสิงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการ